เบื้องต้นนะไม่อยังงาั้นใจสงบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เลยปกติของจิตหรือว่าใจนี่นมันถ้าไม่มีสติควบคุมอยู่แล้วมีแต่คิดกับคิดมันเป็นสัญชาติมันอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแต่เราอาศัยแต่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 นันแะไม่ไม่ถือเอารูปต่างๆมาเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตอยู่ในใจไม่ถือเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์อยู่ภายในใจนั่นแหละที่เรียกว่าปล่อยวางอารมณ์ภายนอกให้ดับไปให้เหลือแต่ความรู้กับสติ อยู่ภายในนี้นะให้จําหลักวิชาอันนี้ไว้การภาวนานะถ้าไปทิ้งหลักนี้แล้วไม่ได้หรอกภาวนาไม่เป็นนะ่ะจิตไม่สงบก็เรียกว่าภาวนาไม่เป็นก่อนอื่นมันต้องทําใจสงบซะก่อนคําว่าผู้ภาวนาเป็นนะเป็งนงั้นไม่ใช่ว่า จับเรื่องอะไรได้เรากเกาะออกมาวิจารคิดเลื่อยเปืี่ยไปอย่างนั้นไม่มีสิ้นสุดถึงแม้จะรู้จะเห็นไปมันก็ไม่เป็นอุบายละกิเลสตัณหาอุปาทานได้เพียงแต่คิดไปเห็นไปเฉยๆอย่างนั้นนะเรียกว่ามีแต่เพียงอนุโลมอออนุโลมไปเฉย คือว่าคิดล่วงหน้าไปเห็นไปเทว่าคิดไปหน้าเรื่อยๆนี่เทวาอนุโลมไม่มีปฏิโลมคือถอยกลับเมื่อมันไม่มีปฏิโลมอย่างนั้นมันก็ไม่เห็นแจ้งพวอผู้เห็นแจ้งนะคือดวงจิตเนี่ยอันที่เราพิจารณาไปนั่นหมายความว่าสัญญามันจำไป เส่นอย่งว่าเพ่งไปเห็นซากศพอยู่ในป่าชานน่นอย่างนี้นะอะมันก็เห็นซากศพอยู่ป่าชานน่นแหละแต่มันไม่เห็นอยู่ในใจนี้เป็นอย่างนั้นบาน้านี้การเพ่งไปเห็นซากศพคนตายป่าชาเนั่นอันนั้นเรียกว่าอนุโลมการน้อมเอาเครื่องหมายของซากศพนั่นมา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 ที่เดิมแต่มันปฏิสนธิในร่างกายอันนี้นะมันปฏิสนธิอาศัยอยู่ในอาไทวัตถุเนี่ยนั่นแหละแล้วมันก็ไปสงบอยู่ที่เดิมของมันนะมันไม่ดิ้นหล่นไปแส่ายไปหาอารมณ์ภายนอกต่างๆนี่แหละให้พึ่งพาการเข้าใจ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 นม่อย่างนั้นมันจะไม่เห็นแจ้งเห็นก็เห็นมัวมัวไปอย่างงั้นแหละคือมันต้องมาทํากระแสะจิตให้มันใสสะอาดซะก่อนอย่างนี้นะคุยง่ายมันยังไงกระจกส่องเอาหน้าอย่างงี้นะถ้ามันมีขมเหมวอะไรมาติดเกิดกังเข้าไปแล้วก็มองเงาหน้าก็ไม่ชัดเจนนะมัวมัวอย่างงั้นแหละ ไม่เห็นหน้าได้ทุกกระเบียดนิว้วทีนี้ต่อเมื่อเอาผ้ามาขัดขมเหลาที่มันจับอยู่กระจกนั่นออกไปขัดขออกไปมันก็อกระจกนั้นก็สะอาดใสเมื่อขมเหลามันออกหมดแล้วกระจกนั้นมันก็สใสแจ๋วเลยแบบนี้นะนั่นเนี่ยพอมองดูหน้าตัวเองก็เห็น ทุกกะเบียดนิ้วเลยหน้านี่มันมีลักษณะอาการอย่างไรต่ อ, อยังไรมันก็รู้เห็นได้ชัดอย่างนั้นแหละอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นนะเรามาพยายามขัดจิ ต, ตัวงนี้นะให้มันสะอาดจากอารมณ์ต่างๆที่มันเคยยึดเคยถือมาจต่อดีตล่วงแล้วมานูน่นมันสะสมออกมาไว้ในจิตนี่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 บันีพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วพระองค์สเสวงหาทางชําระพะรุธไทยของพระองค์ให้ผ่องใสสะอาดปราศจากอารมณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วจึงได้ดวงปัญญาอันประเสริฐบังเกิดขึ้นในพระไทยของพระองค์สามารถตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณได้ นี่ก็เพราะพระองค์พยา ย, ย, า, ยามชำระดวงจิตที่เศร้าหมองด้วยอารมณ์ต่างๆดังกล่าวมานั่นแหละให้ระงับดับไปละวัฏฏัยของพระองค์ก็ผ่องใสขึ้นมาแมเราผู้เป็นสาวกของพระองค์ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละให้พึงเข้าใจเพราะว่าจิต ใจนี่อันเดียวกันเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอันเดียวกันนั่นแหละกิเลสก็ตัวเดียวกันความอยากความปรารถนาก็อันเดียวกันอเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเพียรพยายามชําระจิตตรงนี้ให้มันสะอาดไปเรื่อยๆการชําระจิตให้สะอาดนี่มันมันมีอยู่สองขั้นตอนนะ ขั้นแรกนี่เราชำระให้สะอาดด้วยสมาธหิหรือว่าถ้าอย่างว่าอย่างหนึ่งก็สามขั้นตอนเลยขั้นที่แรกนี่เราชำระจิตนี่สะอาดด้วยศีล น, นี่เราสำรวมในศีลไม่ล่วงสิขาบทวินัยน้อยใหญ่ที่ตนได้สมาทานมาแล้ว เมื่อสำรวมระวังไม่ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่เช่นนั้นบาปก็ไม่เกิดขึ้นในจิตใจนั่นแหละใจมันก็สะอาดมาพักหนึ่งแล้วนะสะอาดด้วยอำนาจแห่งศีลนั่นเองว่าใจสะอาดปราศจากบาปอากุศลอย่างหยาบอันนั้นนะบบนี้มันยังบาปอากุศลอย่างกลางเนะี่ยเรามาชำระกันด้วยสมาธิแบบนี้นะ พยายามทําใจให้สงบดังกล่าวมาแล้วนั้นเนี่ยมีสติเพ่งอย่างเข้าไปจนถึงจิตคือความรู้สึกนู่นจิตตั้งอยู่ที่ไหนสติก็อยู่ตรงนั้นสติอยู่ตรงไหนจิตก็ให้อยู่ตรงนั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติกับจิตนั่นนะเช่นนั้นนะ่ะจิตมันจึงสงบอยู่ได้ให้พึงเข้าใจ การที่จิตมันสงบอยู่ไม่ได้นั่นก็เพราะสติมันไม่ได้อย่างเข้าไปถึงดวงจิตแท้ ừ, <ừ. S 1> เมื่อสติมันฟูๆอยู่เนี่ยจิตมันก็คิดลอยไปตามสติที่มันระลึกไปนั่นแนะ่ะสติระลึกไปยังไงจิตมันก็รู้ไปตามสติที่มันระลึกไปนั่นนะ่ะเรียก ว, ว่ารู้ไปในอดีตบ้าง รู้ไปในอนาคตบ้างนี่มันล้วนแล้วแต่สติมันไม่ยังเข้าถึงกิตเนื่อว่าสติยังเข้าไม่ถึงกิตนะมันจึงได้ส่งกระแสของตัวเองนะไปในอดีตอนาคตดังกล่าวแล้วดันั้นให้เพึ่งพากันเข้าใจหลักวิชาอันนี้นะหลักทำใจให้สงบลงนี้ มันกระทัดรัดแบบนี้นะแบบเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกและวันนี้เมื่อจิตตั้งลงไปแนละ้วเราจะเพ่งกรรมฐานอะไรก็เพ่งนี้อจะเพ่งอสุภะกรรมฐานคนผู้รักสวยรักงามมากไปด้วยราคะตัณหาอย่างนี้นะมันก็ต้องเพ่งร่างกายนี้ให้เห็นเป็นของไม่สะอาด ไม่สวยไม่งามมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามที่เกิดที่อยู่ก็เกิดอยู่ในที่ชุ่มแช่ด้วยบุพโพโรหิตน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรที่เราที่รูปร่างอันนี้ไม่ไก่อตั้งขึ้นที่ในท้องของมาดานะนะมันก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองในหุ้มพออยู่มันเป็นยังไ น, น ไม่ใช่เป็นของสะอาดอะไรอัตภาพร่างกายอันนี้นะก็บเพ่งดูให้อสุภนิมิตบังเกิดขึ้นในดวงจิตนั้นนี่มันจะได้บรรเทาราคะตัณหาลงถ้าเป็นครืหัดก็จะไม่ได้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมจะไม่ไปทำชู้จากพันรยาถ้าเป็นไอผู้ชายก็ดี ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะไม่ไ ป, ไปเล่นชู้จากสามีพูดกันอย่างตรงไปตรงมาคืออย่างนั้นถ้าเป็นนักบวชก็จะไม่ทำลายศีลจะไม่เป็นอาบัติปาราชิกในสิกขาบทที่หนึ่งัน่นแหละหรือจะไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษ ตั้งหลายข้อทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหาเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าใครไม่หมั่นเจริญอสุภกรรมฐานเนี่ยแน่นอนแล้วกิเลสประเภทเนี้มันต้องมีกำลังทีเดียวผู้เป็นครหอขัดเมื่อได้ยินธรรมะบรรยายอย่างนี้ก็ นึกว่าอือไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของพระนุนตังห àng, า่างไอสุภกรรมฐานเนี่ยเราผู้เป็นเครือข่านี่ไม่จำเป็นต้องมาเจริญหรอกผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นอย่างที่ว่านี่เข้าใจผิดะ่ะกลัวแต่ไม่ได้รักสวยรักงามนั่นแหละคนที่ ส่งเสริมความรักความใคร่ในให้มากเกินขอบเขตแล้วมันถึงได้ทําบาปครีหัดก็ดีออได้ไปแย่งเอาเมียคนอื่นแย่งหัวคนอื่นอยู่มนูนี้มันก็เนื่องมาแต่มันมักมากในกามเนี่ยอในความรักความใคร่นี้แหละลงถึงกับได้ฆ่ากันมูนี้นะอก็เพราะความรักนี่ไม่ใช่เหลอมิยูดาดืนในโลกอันนี้ทําไหม ถึงจะไม่ใช่หน้าที่ของครือหัดเราการเจริญอสุภกรรมฐานนะเป็นหน้าที่ของทุกคนแหละผู้ที่ยังละความรักไม่ได้นี่นะมันส่งเสริมให้มันเกินขอบเขตแล้วมันก็เป็นอกุศลแหละบ้านี้นะความรักอันนี้นะกลายเป็นบาปอากุศลกลายเป็นกรรมเป็นเวนไปอนะ่าเป็นอย่างนั้น เป็นนักบวชก็ไม่เจริญ ง, งอกงามในพรหมจรรย์เลยอยู่ในพรหมจรรย์นี้ไม่ได้ถ้ามากมากเข้าแล้วนะพวกที่ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้ตลอดนั้นก็เพราะมันบรรเทาราคะตัณหานี่แหละไม่ได้ให้เข้าใจกิเลส ต, ตัวอื่นนั่นก็อ ย, อยังชั่วนะตัวนี้แรงกว่าเพื่อนทั้งหมดเลยผู้เป็นนักบวชต้องสังวชระวังเป็นพิเศษ อย่าให้มันครอบงำจิตใจได้แม้เป็นคารัหั์ก็เหมือนกันนะต้องสำรวมระวังอย่าให้มันเกินขอบเขตถ้าเกินขอบเขตไปแล้วก็อย่างว่านั้นมันเป็นเหตุให้ทำบาปทำกรรมไม่เฉพาะแต่ไปทำชู้กับสามีภรรยาของคนอื่นเท่านั้นหรอกเป็นเหตุให้ทำกรรมชั่วห้าอย่างนั้นได้ทั้งหมดเลยแหละ เป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นเป็นเหตุให้เกิดความโกรธความเมตตาใา้ความรักอันนีนะ้เพราะว่าเมื่อเมื่อความรักอันนี้มันเกิดขึ้นในใจเราไปแสวงหาเมื่อแสวงหาสิ่งที่ตนรักนั้นบังเอิญคนอื่นเขาก็ผลรักรูปนั้นอยู่แล้วตนพอจะไปแย่งเอาของเขาหรือไม่ฉะนนั้นตนรักรูปนั้นอยู่ก่อนแล้ว คนอื่นมาเห็นเขา้าคนรักเหมือนกันอีกก็มาแย่งกันเขา้าอ่ามันก็เป็นเหตุให้สังหารกันย่อยยับลงไปไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเลยก็มีอยู่ถมไปแล้วมีประโยชน์อะไรลบะ ว, วันนี้ลองคิดดูความรักของใครนี่นะถ้าหากว่าไม่ระงับมันแล้ปล่อยให้มันเกินขอบเขตแล้ว มันก็เป็นเหตุได้ทำบาปได้ทั้งบันทัดจิตทั้งคฤหัดถ์ทำชั่วได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งความโกรธความหลงไปตะพืตะพือแหละเมื่อมันรักผิดหวังไปมันก็โกรธพยาบาทคนที่มาแย่งรักของตัวเองนั้นอย่างนี้นะทั้งนี้ก็เพราะมันหลงวะนี้นะนี่ มันหลงมันมีความเห็นผิดคิดว่ารูปนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นรสนั้นสัมผัสนั้นสวยสดงดงามน่ารักน่าใคร่น่าเฉยชมนี่มันสาคัญผิดอ่ะแต่ความจริงรูปเป็นต้นเหล่านั้นไม่เป็นสิ่งสวยงามอะไรเลยตามธรรมดาแล้วนะไม่มีอะไรสวยงามอ่ะ เพราะอะไรล่ะก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันถึงไม่สวยไม่งามมันแปรปวนอยู่เรื่อยนี่ดูแต่อัตภาพร่างกายเนี่ยอาบน้ําชำระขัดถูด้วยสบู่สะอาดแล้วไ ป, ไปหน่อยหนึ่งพงเหงือ่อไคยไหลออกมาจับอยู่ตามขุมขนโมนั้นเกลกันจับอยู่ตามผ้านุ่งผ้าหฮมเสือ้ออะไรโมนั้น น่อยหนึ่งก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมาแล้วนั่นนี่แหละของไม่เที่ยงอ่ะเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่สะอาดถ้าว่ามันเที่ยงอย่างนี้นะเมื่อชาระขัดถูสะอาดแล้วมันไม่ต้องมีเหงื่อใครอะไรออกมาเลยมันก็สะอาดอยู่นั่นเรื่อยไปอะมันไม่แปรสภาพเป็นอย่างอื่นไปเลยอย่างนี้นั่นแหละเรียกว่ามันเที่ยงนะอืแต่ลง ไปหาได้ที่ไหนแล้วในโลกเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสที่มันเที่ยงยั่งยืนอย่างนั้นมีเหรอไม่มีนั่นแหละจิตใจมันหลงอนะ่ะมันสําคัญผิดมานับอเนกชาติแล้วนะควรจะตื่นตัวกันได้แล้วอืันเป็นคฤหัสก็ดีไม่ควรที่จะไปนึกว่านั่นเรื่องของพระตัางหากหรอกไม่ควรคิดอย่างนั้น เพราะว่าจะเป็นพระหรือเป็นครือข่าก็ตามมันก็หลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหมือนกันนี่แหลอะออก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเครือข่ายหลงกับเป็นเหตุให้ทําลายศีลทั้งห้าข้อ น, นะนะถ้าบัญประชิตหลงก็เป็นเหตุให้ทําลายสิขาบทน้อยใหญ่อ่าที่อยู่ในวิสัยที่ตนจะพึ่งรักษาจะพึ่งสํารวมระวัง มันก็สัมรวมไม่ได้เพราะอำนาจแห่งราคะตัณหาอันนี้ถ้าศาสตร์เขาให้มันรุนแรงเข้ามาแล้วมันไม่ไหวอ่ะมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไรเลยมันจะไปตกนรกสกีหลุมมันก็ยอมไปอืมตัณหาตามืดมันเป็นอย่างนั้นท่านจึงเรียกว่าตัณหาหน้ามืดน่ะมันตัณหาตาบอดก็ว่าได้ นั่นจึงไม่ควรประมาทควรพากันเจริญอสุภะกรรมฐานนี่เสมอเสมอไปแหละผู้เห็นทุกเห็นภัยในวัฏะสงสารนี้แล้วนะผู้เห็นโทษแห่งกรรมแห่งเวนแห่งความชั่วร้ายต่างๆในโลกนี้แล้วเห็นว่าบุคคลที่พ้นทุกข์ไปไม่ได้นะ ก็เพราะตกอยู่ภายใต้อำนาจของราคาตันหานี่แหละให้เข้าใจเอาเลยเอากงโกงเลยแบบนี้นะไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรละ่ะจะเป็นเคเรหัดก็าตามเป็นนักบวชกว็าตามล้นวนแต่ตกเป็นทาสของราคาตันหานี่ทั้งนั้นแหละบุคคลผู้ที่ไม่ได้เพียรชําระสะสางมันนะอื จะไปทำชั่วอย่างไดเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมมสาวาดดื่มสุราเมรยัยเครื่องดองของเมาต่างๆหมู่นี้มันล้วนตั้งแต่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งราคะความกำหนัดยินดีในทั้งนั้นแหละลองคิดดูคิดดูให้ละเอียดมันเจ็ดจึงจะเห็นได้ ทำใจให้สงบลงไปเสแล้วก็ใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดูแล้วมันเห็นได้ชัดๆเลยทีเดียวถ้าหาว่าใครยังมีจิตทุ่งสัน้นตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งราคะราคะตัณหาอันนี้แล้วมันจะมองไม่เห็นหรอกไม่เห็นโทษของความกำหนัดยินดีเหล่านี้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เกียงได้ทรงเปรียบราคะตัณหาในเหมือนกับไฟเป็นของร้อนที่ทรงตรัสไว้ในอดิตตะปริยายสูตรนั้นราคะกินาโทสกินาโมหกินาไฟคือราคะไฟคือโทสไฟคือโมหะแผดเผาจิตใจให้เราร้อน มาในวัตฏะสงสารอันนี้นับชาติในทลูลพาไปตกนรกหมกไหมอยู่ในอาบายภูมิก็เพราะไฟสามกองนี้เองพาไปเกิดเป็นเปรตเป็นผู้หิวโหยเป็นผู้มีร่างกายไม่สมประกอบเป็นผู้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อน เพราะว่ากรรมมันตกแต่งร่างกายให้ไม่ไม่สมประกอบนั่นนะคาว่าเปรตนี่นะท่านกล่าวไว้ในตำราไอ้ตัวใหญ่เท่าหัวเท่าควายนี่แต่ปากนั่นรูรูปากนั่นแคบแบน้อยเดียวหนึงนะ่งพอรวมเข็มเล่มหนึ่งนี่แหละ จะกินน้ำก็ไม่ได้จะกินข้าวก็ไม่ได้แต่หากหิวอยู่อย่างนั้นหิวแลวจะกินไม่ได้ได้รับทุกทรมานอยู่อย่างนั้นนะถ้าภาษาริบุตรบินธบาตแล้วเดินตามชายหาดริมน้ำไปไปเห็นเปรตตนหนึ่ง นอนอยู่ริมน้ําจะกินน้ําไม่ได้อเปรตนั้นจึงได้คล่ําควนตั้งแต่ชาติก่อนนั้นอข้าพเจ้าก็เป็นญาติกับท่านนั่นแหละว่าไงแต่ว่าเข้าเจ้าทําชั่วตายแล้วจึงได้มาเกิดเป็นเปรตอยู่นี่อไม่ได้ทําบุญทําทานไม่ได้เข้าน้ําเป็นทาน แล้วก็ไปทำชั่วอย่างอื่นเข้าไปตายแล้วก็เลยมาเป็นเปรตอยู่นี่หิวหวยอยู่อย่างนั้นขอพระคุณเจ้าได้สงเคราะห์ด้วยเถิดท่านพระสารีบุตรท่านจึงได้เอาเข้าวอาหารหนบาของท่านนั้นตักบาตรให้แก่พระภิกษุที่เดินตามมานั้น เราใส่บาตรให้องค์โน้นบ้างองค์นี้บ้างไปแล้วอุทิศส่วนกุศลนั่นให้แก่เปรตนั่นเมื่อเปรตนั่นได้รับอนุโมทนาแล้วกว็จึงพ้นจากความเป็นเปรตนั้นได้บริโภคอาหารอิ่มน้ำสําราญไปได้นี่แหละเมื่อเมื่อพ้นจากนรกมาแล้วก็มาเป็นเปรต พ้นจากเปรตมาแล้วผมมาเป็นอสุรกายเพราะบาป ก, กรรมนี่นะมันมันค่อยผ่อนหนักเป็นเบาไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นไม่ใช่มันหายไปทีเดียวเลยไม่ใช่มันระ ง, งับไปทีเดียวพ้นจากอสุรกายผมมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะเพราะกรรมยังไม่หมดนี่นั่นแหละพ้นจากสาัตว์เดรัจฉาน เอาเศษบาปยังไม่สิน้นมาเกิดเป็นมนุษย์มีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นแขนด้วนขาด้วนหรือตาบอดถูหูอกมาจะกําเนิดตนอันนั้นแสดงว่าเศษบาปที่ผู้นั้นทํามาแต่ชาติก่อนโน้นมันยังไม่หมดนะมันจึงมาตกแต่งอวัยวะร่างกายให้ไม่สมประกอบเลย โมนีมันมีราคะความกำลัดยินดีเนี่ยเป็นมูลเหตุทั้งนั้นเลยเป็นมูลเหตุให้เกิดโทสะเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นมูลเหตุให้เกิดโมหะหลงสำคัญผิดคิดว่ารูปนั้นไม่สวยไม่งามแต่เข้าใจว่าสวยว่างามไปเสียงนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดีไพร่เพราะว่า มันเกิดแล้วดับไปนี่เสียงต่างๆนะเมืม่อเพ่งดูด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินไล่อะไรเลยจะเป็นเสียงคนก็ตามเสียงสัตว์ก็ช่างนะเสียงผู้ชายก็ตามเสียงผู้หญิงก็ตามมันก็สักแต่ว่าเสียงพระศาสดายังได้ทรงสอนให้เพ่งให้เห็นเป็นสัทธาธาตุเสียงก็เป็นธาตุชนิดหนึ่ง ถ้าว่าเป็นรูปก็เรียกว่าเป็นรูปละเอียดท่านเรียกว่าอุปทัยรูปรูปอาศัยมหาปูตา ร, รูปทั้งสี่เนี่ยอาศัยธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมนี่นะกระทบกันเข้ามันจึงเกิดเป็นเสียงดังขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเสียงที่เปลงออกมาจากปากนี่ก็เหมือนกันนะ มันก็อาศัยจิตกับกายนี่แหละสัมผัสกันเข้านะเมื่อจิตเจตนาว่าจะพูดเรื่องนี้อย่างนี้นะแล้วมันก็กดดันเอาธาตุเหล่านี้เนี่ยให้เป็นเสียงออกมาได้มันก็แค่นี้แหละอันเสียงนั้นนะเราต้องเพ่งดูต้นตอของมันให้มันเห็นให้มันรู้แจ้งด้วยปัญญาไวแล้วมันจะไม่ได้ตื่นเต้นกับเสียงต่างๆที่มันแววเข้ามาใส่หูเนี่ย ไม่นุ่มนิ่มแข็งกระด้างบาอย่างเป็นนั่งในของแข็งแข็งอย่างนี้นะไม่ชอบใจนะถ้าได้เป็นนั่งฟูกบบกออ่น อ, อนนุ่มนิ่มเนะี่ยพออกพอใจไนดะ้ น, นอนในฟูกบอกท่อ่อนนุ่มนิ่มเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็ชอบอกชอบใจนอนไม่อยากตื่นเลยนะอ่นั่นนหละเรียกว่าติดสัมผัส ยินดีในสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มนั่นโ <c oughs> มนี่ก็พ่อมันหลงนะมันเข้าใจผิดไปการที่บุคคลจะมาขจัดความหลงเหล่านี้ออกไปก็ขจัดด้วยปัญญาวิปัสสนาอย่างที่ว่านันแะทำใจให้สงบของใสแล้วก็ใช้ปัญญาวิจารดู อ่าสิ่งที่จิตใจมันเกาะมันคล้องมาใจอเนกชาตินี้นะพิจารณาให้ถึงความจริงของมันเลยอย่างนี้มันก็หายสงสัยแลย้วลงความเห็นเอาว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะมายินดียินร้ายมันก็ลงความเห็นเอาอย่างนี้ได้เลยทีนี้นะ <c oughs> เมื่อมันลงความเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าความยินดียัรนระ้ายเนี่ยมันจะระ ง, งับไปทันทีเลยก็หาไม่ได้แต่เมื่อมันลงความเห็นไว้อย่างนี้เนะี่ยมันก็จะได้สำรวมระวังจิตใจของตนเรื่อยไปอ่าใช้ปัญญาสอนจิตนี่ไม่ให้หลงไม่ให้ตื่นเต้นไปตามรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะ่ะ ให้กำหนดลงไปให้ถึงความจริงมันทุกครั้งเลยที่ตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงอย่างนี้นะพยายามพิจารณาให้มันถึงความจริงเรื่อยไปเมื่อพิจารณามันเห็นความจริงบ่อยๆเข้าไปความรู้ยิ่งมันก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเมื่อความรู้ยิ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่หลงไม่ไหลในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านี้แหละ พอตามันเห็นรูปเข้ามันกบกำหนดรู้ความจริงของรูปนั้นได้ทันทีมันไม่ทันวิจกวิจารณว่าเอ๊ะรูปนี้สวยงามน่ารักทิ้งหนออะไรเนี่ยมันไม่ได้วิจกไปอย่างนั้นหรอกหรือว่ารูปนี่ที่ไร้หน่าเกลียดหน้าช่างหนออย่างงี้มันมันไม่ได้วิจกไปหรอกเพราะอาศัยความรู้ยิ่งนั้นเป็นสักขีพยาน เห็นชัดว่ารูปทั้งหมดนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าชังอะไรเนาะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปวนแตกดับไปเท่านั้นมันไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้มันไม่มีอะไรยืนตัวอยู่ให้รักให้ชังตลอดไปได้หมายความว่ายอย่างนั้นถึงมันยืนตัวอยู่ให้รักมันกอ็อยู่ได้ช่วระยะหนึ่งเท่านั้นไม่นานนะรูปนั้นก็แปรปวนไปเป็นสิ เป็นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดไปแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นคนเรามันทึงได้มีหลายมีหลายผัวสําหรับเคเรหันะ่ดออ้าวพอได้รูปนี่มาแล้วชมเชยไปนานนานไปสักหน่อยหนึ่งรูปเนี่ย ส, สํารุดไปแล้วอืมผิวพันธ์วันน่ะอะไรก็สูบซีดไปแล้วอหนังก็เหี่ยวก็ยานไป อย่างนี้นะอะไรอะไรก็สุดโสมไปเบื่อแล้ววะเนี่ยจิตนะไปเห็นรูปอื่นเปลง่งปรังเข้าไปเกิดชอบใจอา้าวไปแสวงหาเข้าไปแล้วติดต่อเข้าไปแล้วเป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาท<ม>กันเข้าอา้าวเลยอย่าร้างกันไปหาความสุขความสบายไม่ได้ก็เพราะราคาตันหานี่แหละเป็นมูลเหตุ วันนี้นะปัญญาเราต้องสอดส่องพิจานาให้มันเห็นเหตุเห็นปัจจัยของความหลงความเมาเหล่านี้อ่ะเมื่อมันเห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่างว่านี้แล้วมันก็จะไม่หลงไม่เมาแล้ววันนี้น ะ, ะมันจะหายหลงหายเมาไปเรื่อยๆไปอ่ะปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะมองให้มองอะไรก็มองถึงความจริงทุกครั้ง ไม่ได้ติดค้างอยู่เพียงแค่สมมุติบรญญัตเท่านี้หนึ่งถ้าว่าปัญญาไม่เกิดแล้วนะมันมันก็ติดอยู่แค่สมมุตินั่นแหละจิตใจนี่นะโลกเขาสมมุติอย่างไรก็หมุนไปตามความสมมุติของโลกนั่นแหละโลกเขาสมมุติว่าสิ่งนี้น่ายินดีน่ารักน่าใครก็รักก็ใครไปตามสมมติตินิยมของโลกนั้น โลกเขาสมมุติว่ารูปเสียงเหล่านี้น่าเกลียดน่าชังเอ้าจิตใจก็หลงเกลียดหลงชังไปตามสมมุติของเขานั่นแหละนี่นะมันติดอยู่ในสมมุติเนี่ยจิตนี่ให้พากันเข้าใจวันนี้การที่เรามาปฏิบัติวิปัสสนานี่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นนี่เพื่อจะลบล้างสมมุตินี่ออกจากดวงจิตเนี่ย ให้เข้าใจกันเมื่อเมื่อมันลบล้างสมมุติออกไปได้มันก็วิมุตซีแบบ น, นี้นะนั่นแหละคือหลุดพ้นจากสมมุตินั้นนะจิตใจนี่มองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายเป็นแต่เพียงสภาสวธารมสภาวธรรมอันหนึ่งหนึ่งอาศัยกันอยู่เท่านั้นเมื่อหมดเหตุปจัจจัยไปแล้วมันก็แตกสลายออกไปจากกันเท่านี้แหละ เมื่อเมื่อจิตใจมันหลุดพ้นจากสมมติอันนั้นแล้วนะมันก็เห็นไปตามเหตุปัจจัยมันอย่างนั้นสุดท้ายก็เห็นเป็นสภ า, าสวธรรมไปไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาอะไรอยู่ในนั้นเลยไม่มีความจริงแล้วน ะ, ะเป็นอย่างนี้แหละไอ้ความจริงของชีวิตคือของอัตภาพร่างกายอันนี้นะ แต่คนผู้ที่ไม่เชื่อพระปัญญาตัดสูของพระพุทธเจ้าแล้วหากไม่สนใจไม่สนใจที่จะลงมือปฏิบัติทดลองดูอย่างที่ชี้แจงแนะนำสั่งสอนมาอย่างว่านี่แหล ะ, ะบางคนก็อาจจะเห็นว่าเป็นของลึกซึ้งลึกล้ำค้ำภพีรรภาพมาก ตนไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้จะเป็นนักบวดก็ดีเป็นเครื่องหัดก็ดีอาจจะเห็นไปอย่างนี้ก็ได้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เป็นของลึกไม่ใช่เป็นของตื้นไม่ใช่เป็นของลึกจนว่าบุคคลไม่สามารถที่จะยังเห็นได้แต่ก็ไม่ใช่เป็นของตื้น จนถึงกับว่าคนธรรมดาสามัญทั่วไปไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจอะไรเลยก็สามารถเบื่อหน่ายได้รู้ได้เห็นได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะคนธรรมดาสามัญมันมีอวิชชาตันหาหุ้มห่ออยู่ถึงความจริงมันจะปรากฏอยู่อย่างนั้นแต่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เบื่อไม่ได้เพราะว่าราคะตันหานะัมันฉาบพาจิตใจอยู่ มันมั น, ม, นมันถึงไม่เบื่อไม่น่ามันเป็นอย่างนั้นเดืองมา น, นะต่อเมื่อเรามาตั้งอยู่ในข้อปฏิบัตินี้่เอาศีลมาชําระราคะโทสะโมหะอย่างงาบนั่นให้มันเบาวางออกไปแล้วต่อ น, นั่นก็เอาสมาธิมานนี้นะทาจิตให้เป็นสมาธิลงไปเพื่อชําระราคะโทสะโมหะอย่างกลางนะัให้มันเบาลงไป นั่น <c oughs> อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นบนีมาชำละราคะโทสะโมหะอย่างละเอียดนี่ให้มันเบาไปให้มันหมดไปสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาวิปัสสนานี้นี่พระบรมศาสดาของเราได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายนะ่ะ น้อมเอามาปฏิบัติชำละจิตใจอันนี้เป็นขั้นๆไปดังกล่าวมานี่นะถ้าบุคคลไม่สามารถที่จะชำละให้ถึงขั้นละเอียดอย่างว่านั้นได้ก็ขอให้ชำละขั้นห ย, ยาบๆนี่นะให้มันดับไปให้ได้ทำศีลให้บริสุทธิ์ได้แล้วนี่มันก็ทำให้ราคะโทสะโมหะห ย, ยาบเนี่ดับลงไป เมื่อกิเลสยังงาบนี้ดับลงไปแล้วถ้าเป็นเครือส่าผู้ครองเรือนก็จะมีศีลห้าบริสุทธิ์เลยจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลายจะไม่กล่าวมุสาว่าจะไม่ดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดไห้โทษทุกชนิดแม่ตะบุรีนี่กะเว้นได้เลย ผู้อบรมปัญญาให้บังเกิดขึ้นดังกล่าวมานี่นะเพราะว่าบุรีนี่มันก็มีแต่โทษนะไม่มีคุณแม้แต่น้อยเดียวเลยพวกนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งหลายเขาก็วิจารณ์วิจัยกันพอแรงแล้วเห็นว่าให้โทษบุรีเนี่ยไม่ได้ให้คุณเลยเนี่ย เพราะมันมีธาตุอะไรต่ออะไรตามชื่อแพทย์ของเขานะผสมอยู่ในเส้นยานั่นนะแต่เราก็จําไม่ได้ชื่อยาตัวยาอันนี่นะนั่นแหละตัวยานั่นแหละมันเป็นมันมีพิษอ่ะมันไปนทําลายตับทําลายปอดทําลายอะไรต่ออะไรอยู่ในอวัยวะร่างกายภายในนูน่นให้เสื่อม โทมลงไปเห็นนั่คนพูดสูบบุหรี่จะจัดจึงเป็นโรคปอดอปอดเสียเป็นอย่างนั้นตัดทอนสุขภาพภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าตายพนรนงผู้ไดติดของเสษติให้โทษเหล่านี้อายุสั้นไม่ยืนยาวนานไปได้เท่าที่ควรเลยถึง ถึงบุญวาสนายังไม่หมดก็าตายเพราะตนเองนั่นแหละทาลายตัวเองนะ่ะเรื่องมันนะแต่ถ้าว่าป้องกันสิ่งที่มีพิษต่ตอร่างกายนี้ได้เอาบริโภคตั้งแต่อาหารที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนี่เสียสิ่งได้ที่มันเป็นโทษต่อร่างกายนี้อย่าเอามาบริโภคอย่างนี้แล้วนะ มันก็จะมีอายุยืนยาวนานไปจนตลอดถึงอายุไขให้ทางกันเข้าใจเมื่อมันหมดบุญวาสนาลงเมื่อใดนะมันถึงตายเองแบบนั้นนะแต่ถ้าว่าบุคคลเนี่รู้อํานาจแก่ราคะตัณหาอย่างที่ว่านี่นะอ่รู้อํานาจแก่ความหลงความเมาเหล่านีนะ้แล้วไปเอาสิ่งที่มีพิษมีโทษต่ตอร่างกาย มาบริโภคเข้าไปอย่างงี้เนี่ยมันจะไปอายุยืนไปถึงอายุไขได้อย่างไรเนานั่นแหละถึงกรรมเวรแต่ผนหลังไม่มีแต่ก็กรรมเวรที่ตนสร้างเอาในปัจจุบันเนี่ยมันตัดรอนชีวิตให้สั้นเข้าไป <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงไม่สมควรเลยเพราะว่ากลัวจะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยไม่ไม่ง่ายนะัก ต้องอาศัยบุญกุศลที่ตนทํามาแต่ชาติก่อนนุ่นมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้ให้มันถึงได้มาเป็นคนจึงได้มาประกอบกุศลคุณงามก่อนดีอย่างนี้แออถ้าว่าตนไม่ได้ทําบุญกุศลเพียงพอมาแต่ชาติก่อนแล้วมันจะไม่ได้เกิดมาเป็นคนนี่เลยจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ดิบชั้นนุ่นอย่างนี้แหละที่เราเห็นกันอยู่นั่น เมื่อไปเกิดเป็นสัตว์ดิเรกฐานแล้วก็ไม่ได้ประกอบกุศลคุณงามความดีอะไรก็พ้นทุกไปไม่ได้นะอือตายเกิดตายเกิดอยู่อย่างนั้นแหละด้วยอำนาจแห่งความหลงความเมาไม่ได้สร้างความดีใส่ตัวเองไม่มีบุญกุศลอะไรจะมาฉุดจิตใจอันนี้ให้ออกจากวงจรแห่งความทุกข์ได้เลยอือ เอา้าวทำบาปหนักก็ไปตกนรกมัเนี้พ้นจากนรกมาแล้วผมมาเกิดเป็นเปรตพ้นจากปาเปรตมาเกิดเป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นคนขี้กระจอกงอกห้อยไม่มีสติปัญญาอ่าแล้วก็เอาไปมาไปประกอบกรรมชั่วใส่ตัวอีกแล้ว อ้าวตายแล้วพอไปหมุนไปตกนรกอีกเนี่ยท่านเรียกว่าวงจรภาษาสมัยใหม่เขาอ่ะเขาเรียกว่าไปสู่ทุกข์ครบวงจรเลยอ่ะเป็นอย่างนั้นเว้นเสียแต่บุคคลผู้นั้นเกิดมาแล้วได้มาพบนักปลาดบัณฑิตเข้าท่านแนะนำสั่งสอนเอา รู้สึกตัวได้อย่างนี้ก็มาละกำชั่วเหล่านั้นเสียมาบรรเทาราคะโทสะโมหะนี่ได้อย่างนี้แล้วก็มาประกอบกุศลความดีเข้าไปก็เลยได้บุญกุศลดัวนั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยทำให้เกิดเป็นคนดีคนดีขึ้นมามีอวัยวะร่างกายสมประกอบทุกส่วนเลยวะเนี่ยกรรมเวรแต่หนหลังมันหมดไป แล้วก็ได้สัง่งได้ทำบุญกุศลในชาตินั่นแหละไว้พอสมควรนะเพราะฉะนั้นตายจากความเป็นคนพิการนั่นเราไปเกิดเป็นคนดีแบบนี้นะมีตาหูจมูกลิน้นกายมือเท้าอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายครบถ้วนบริบูรณ์จิตใจก็ดีแบบนี้นะเอามาตั้งต้นสร้างบุญกุศลทำความดีกันไปไหมอันนี้ก็เป็นวงจรอีกแหละ วงจรทางดีแบบนี้น ะ, ะพ้นจากความเป็นมนุษย์นี่เมื่อบุญกุศลมากเข้าไปก็ไปเกิดเป็นเทวดานั่นแหละ <c oughs> หมดบุญหมดวาสนาจากเทวดาก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบุญบา ร, รมีอีกสำหรับคนผู้ไม่มีบาปติดตัวนะอย่างนี้แหละ มีแต่บุญกุศลติดตัวแล้วก็ให้เที่ยวเกิดอยู่บนสวรรค์จากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาสร้างบุญบา ร, รมีอยู่ในมนุษย์นี่แ่ะมารักษาศีลมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาหรือว่าเป็นเครหัส่าผู้คลองเรือนก็มาทําบุญให้ทานเพิ่มเติมเข้าไปอีก <c oughs> บุญกุศลบา ร, รมีก็มากขึ้นมากขึ้นโดยลําดับไปนี่ อันนี้ก็เป็นวงจรนี่แหละ น, นี่วงจรฝ่ายกุศลน่ะถ้าว่าผู้ที่มาเจริญสมาธินี่ไปจนได้บรรลุฌานสมาบัตแปดแบนี้ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมแบบนี้น ะ, ะนั่นแหละหมดอานิสงส์แห่งเกิดเป็นพรหมเอาก็กลับมาเกิดมนุษย์โลกนี้อีกมาสร้างบุญบา ร, รมีอีกอ อย่างนี้แหละสร้างไปสร้างมาบุญบา ร, รมีมันเต็มขั้นไหนอ่ะแล้วอย่างนี้นะมันก็ให้ได้บรรลุถึงโลกุตระธรรมในขั้นนั้นนะเช่นอย่างว่าโสดาปติผลอย่างนี้นะบางคนก็ยังไม่สามารถจะบรรลุอรหัตผลทีเดียวได้เพราะบุญยังไม่เต็มขั้นนั้น บุญกุศลมันเต็มขั้นโสดาบันก็ได้บรรลุโสดาบันอย่างในข้างองค์พระพุทธเจ้าอย่างนี้นะในตำราท่านก็ยังกล่าวว่าอยู่เมื่อพระองค์แสดงธรรมจบลง่ะได้บรรลุโสดาบันกันเยอะบางคนก็ได้บรรลุโสดาบันไปอย่างนั้นจนตลอดหมดอายุสังขารไม่สามารถจะบรรลุขั้นสูงขึ้นไปได้ก่อนตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ป่ะนี้พวกพระโสดาบันนี่นะ ส่วนมากําราท่านกล่าวไว้ว่าไปเกิดสวรรค์ชั้นดูสิทธ์นั่นแหละพวกพระโสดาบันนี่นะที่ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดิ้งมูนีก็มีหรือว่าชั้นสูงเกินไปก็นั่นก็มีท่านก็บําเพ็ญอยู่ในสวรรค์นั่นแหละเพราะว่าเป็นพระอริยบุคคลแล้วนั้นท่านไม่ลืมตัวหรอกแม้จะได้เสวยสมบัติอเวนทิพย์ก็ไม่หลงไม่เมาเกินขอบเขตไม่เหมือนอย่าง คนธรรมดาสามัญผู้ไม่ได้มักได้ผลนั่นพอได้ไปเห็นสมบัติทิพย์อันสวยสดงดงามอย่างนั้นก็หลงก็เมาไป เ, เไบเปีนเสียแต่ผู้ไดบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาตั้งแต่เป็นมนุษย์นุษอยู่เนี่ยแต่ไม่ได้มักผลในตอนเป็นมนุษย์นี่เมื่มตอนนตายไปเกิดสวรรค์นี่ มันไปเห็น ส, สมได้เสวยสมบัติทิพย์อันมโหรารยังไงมันก็ไม่หลงไม่เมาเพราะว่ามันได้เจริญไตรลักษณ์นายนปรากฏอยู่ในใจแล้วจะเป็นมนุษย์เนี่ยอเมื่อไปเห็นสมบัติทิพย์มันก็มองเห็นแล้วว่าไอ้ของเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าเราก็ยังละมันไม่ได้ก็ต้องอาศัยมันก่อนอืมผู้ผู้มีปัญญานะ ก็ย่อมรู้เท่าไว้อย่างนั้นแหละแต่อาศัยมันไปบำเพ็ญจิตตะภาวนาไปอยู่วนสวรรค์ก็ดีอะบุญบา ร, รมีและอินทรีย์มันก็แก่กล้าไปบางทีโชคดีมีพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ใดพระ อ, องค์หนึ่งอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วไปทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาและเทวดาทั้งหลาย เมื่อได้ฟังพระอภิธรรมมเติสนานั่นเข้าไปก็สามารถบรรลุมรผลขั้นสูงขึ้นไปได้อีกก็อาจจะไม่ได้กลับมาเกิดในโลกนี้อีกเลยจะนิพพานอยู่บนสวรรค์หรือพรมโลกนู่นอย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่น ะ, ะก็ขอให้พากันเข้าใจนับว่าไม่ไม่ เรียกว่าไม่เสียเวลาเปล่าๆหรอกเวลาเป็นของมีค่าเหลือเกินสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนี่นะโดยเฉพาะเรื่องผู้มีสินแหละเมื่อผู้มีสินแล้วไม่ทำชั่วด้วยกายวาจาแล้วอย่างนี้เวลาใดก็เป็นเวลามีคุณค่าแห่งชีวิตของผู้นั้นชีวิตของผู้นั้นไม่เป็นหมันเลยเรียกว่าเป็นบ่อบุญก็ว่าได้ไปกายวาจาใจนี่นะ เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วนะทําอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลไปหมดเลยอ่อเพราะว่าเราเราเว้นจากการกระทําสิ่งที่เป็นบาปแล้วนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทําสิ่งใดนอกจากนั้นมันก็เป็นบุญไปหมดเลยแะแม้จะทํานาทําสวนก็ตามเป็นเครื่องหัดนะทํานาก็ทําอย่างที่บุคคลที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทําบาปเมื่อได้เข้ามาแล้ว ก็เอาเข้าวนั้นมาให้ทานเข้าไปอย่างนี้นะนั่นมันก็ล้วนจะเป็นบ่อบุญทั้งนั้นเลยแม้ทําสวนทำการค้าขายอะไรทาราชการงานเมืองทำการช่างต่างๆมดนี้ถ้ายึดสินนี่เป็นเครื่องดาเนินแล้วล้วนจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยทำอะไรได้เงินได้ทองมาแล้วเราก็เอามาทำบุญทำทานมาทะนุบารุงพระพุทธศาสนานี้ไป แล้วก็มาเลี้ยงอัตภาพตัวเองเลี้ยงครอบครัวไปอย่างนี้นะมันก็เลยโกให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไปเรื่อยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นจึงว่าศิล์นเนี่ยจึงเป็นสิ่งสงคัญมากนะสำหรับชีวิตมนุษย์เรานั้นมีศิลเป็นเครื่องประดับละสวยงามที่สุดสวยงามกว่าเครื่องประดับใดในโลกนี่เลย เครื่องประดับต่างๆในโลกนี้ราคาเป็นเป็นหลายล้านก็มีแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังสู้เครื่องประดับคือสินไม่ได้เพราะว่าเครื่องประดับอันมีราคามากต่างๆในโลกอันนี้นะมันสวยงามแต่เวลายังมีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นนะ่ะเมื่อตายลงไปแล้วมันไม่ได้ติดตามไปเลยนะของเหล่านั้นนะแต่สินนี่บุคคลได้บำเพ็ญให้เกิด ใ, ให้มีขึ้นในตนแล้ว มันจะติดตามผู้นั้นไปเหมือนเกเงาตามตัวนี่เมื่อละโลกนี้ไปสู่โลกอื่นก็ศีล น, นี่แหละเป็นญาณพ า, านะนาไปเกิดในที่มีความสุขความสบายมีสวรรค์เป็นต้น อ, อย่างนี้นะหนูนส่งไปเรื่อยๆโหนูนให้เราสร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้นมากขึ้นจนเต็มบริบูรณ์แล้วก็สามารถได้บรรลุซึ่งถึงซึ่งพระนิพพานได้ ก็เพราะมีศีลนี่แหละมันหนูเนื่องให้ทําความดีต่างๆจนตลอดถึงเจริญปัญญาวิปัสนาให้แก่กล้าขึ้นไปก็มีศีลนี่แหละเป็นพื้นฐานนะให้พากันเข้าใจอศึกษาเรื่องศีลให้มันชัดเจนแล้วรักษาให้บริสุทธิ์ให้ได้นับว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณากันให้ดีคําสอนของพระพุทธเจ้านะ เมื่อเราพิจารณาดูให้ดีแล้วเราจะเห็นว่ามีคุณค่าต่อชีวิตของเราอย่างมหาศาลดังได้อธิบายให้ฟังมาโดยลำดับนี่เนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่แนะนำให้เจริญอสุภกรรมฐานนั่นจำเอาไว้ เมื่อมาพิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายอันนี้ไม่สวยไม่งามแล้วมันก็คลายความรักความชังลงไปได้ถึงแม่ร่างกายจะไม่สวยไม่งามแต่บุญกรรมตกแต่งให้เราก็ใช้มันประกอบขุศลคุณงามความดีต่างๆได้ใช้มันสเสวงหาเงินทองเข้าของได้มาแล้วก็ทำบุญให้ทานไปบ้างเลี้ยงตัวเองบ้างครอบครัวบ้างอย่างนี้แหละ แล้วก็ใช้มันรักษาสินสำรวมกายวาจาให้บริสุทธิ์ไปได้เนี่ยใช้ให้มันนั่งสมาธิภาวนาฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธ เ, เจ้าสามารถทำจิตใจสงบสามารถเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นจนสามารถรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงคืออริยสัจจะทำทั้งสี่มีทุกสั์เป็นตน้น นี่ดังแสดงมาขอยุติตรงเพียงเท่านี้